การที่อะไรฮาวเร์ดอเมริกาวันหนึ่งก็ชวนนักศึกษามาเล่นเกมเกมนี้ง่ายๆนะประมูลประมูลธนบัตรยี่สิบดอลลาร์ี่สิบดอลลาร์ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะ สถิตาก็ง่ายว่าให้ให้บอกราคานะทีละหนึ่งดอลลาร์นะคือถ้าจะให้ราคาก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์เส้นถ้าเริ่มต้นที่หนึ่งดอลลาร์ก็ คนต่อมาก็สองคนต่อมาก็สามคนประมูลคนต่อมาก็สี่ทีละดอลลาร์ทีละดอลล่าร์ก็มือนกับทีละบาททีละบาทแล้วกติกาข้อที่สองกคือว่าใครให้ราคาสูงสุดก็ได้ไปแบบยี่สิบดอลล่าร์แต่ว่าถ้าใครคนที่ประมูล ให้ราคาสูงสุดเป็นหลับสองนอกจากจะไม่ได้ธนบัตนั้นแล้วกต้องจ่ายเป็นคนจ่ายราคาจ่ายเงินที่เตืองประมูลเอาไว้เช่นสมมติคนประมูลสูงสุดได้18ดอลลาร์นะ คนที่สองคือคนที่ประมูล17ดอลลาร์ก็ต้องจ่ายไป17ดอลลาร์แปลว่าคนที่สองนี่นอกจากจะไม่ได้ไม่ได้คนประบัชน์ล้วก็ต้องเสียนะคือปกติประมูลทั่วไปนี่ใครให้ราคาสูงสุดก็ได้ของแล้วก็จ่ายเงินไปแต่ น, นี่แปลกนะใครให้ราคาสูงสุดได้เงินไปแต่ไม่ต้องจ่ายคนที่ต้องจ่ายคือคนที่ ให้ราคาสูงสุดเป็นอันดับสองเกมก็ง่ายๆเนะี่ยก็ประมูลกันนักขษาวก็เป็นร้อยนะบางคนก็เริ่มต้นก็ห้าสิตังค์นะห้าสิบตังค์แล้วก็คนถึงก็มามีห้าสิตังค์ดอลลาร์หนึ่งคนที่สองก็สองดอลลาร์ ก, ลลารก็ให้กันไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่นี่พอมันตัวเลขมันแตะที่46 7ดอลลาร์เนี่ยคนก็เริ่มจะเลิกเล่นละแต่ว่ามันี่มีหลายคนนะที่ยังเล่นอยู่สุดท้ายก็จะเหลือแค่สองคนสองคนพอแล้วมันก็แปลกทีนะ พอมีคนเสนอสิบเก้าดอลลาร์เนี่ยอีกคนก็จะเสนอยี่สิบคนที่สิบได้คนที่เสนอสิบเก้าเนี่ยก็จะก็จะไม่ยอมนะก็จะเสนอยี่สิบเอ็ดเพราะว่าถ้าตัวเองหยุดนะตัวเองก็ต้องจ่ายสิบเก้าเพราะว่าคนที่ได้สูงสุดคือยี่สิบเขาก็ได้แ บ, แบงก์มา คนที่ให้สิบเก้าดอลลาร์ก็ต้องเชื่อว่าจะไม่ยอมแพ้ถ้าเพื่อนบอก 20, อยี่สิบตัก็จะบอกยี่สิบเอ็ดอีกคนหนึ่งถ้ามันหยุดแค่นั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายยี่สิบก็ไม่ยอมก็ต้องให้ยี่สองคนที่ให้ยี่เอดนี่ถ้าหยุดก็ต้องจ่ายแล้วก็ไม่ได้สนัาบัตรด้วยก็ต้องให้ ราคาเป็นยี่สิบสามมันก็แปลกนะคือถึงตรงนี้ก็น่าจะเลิกได้ละเพราะว่าแบงก์มันยี่สิบดอลลาร์แต่ต้องจ่ายทีแม้จะต้องจ่ายยี่3บสองยิบสามนี่มันก็ไม่น่าแต่เพื่นก็เล่นนะ บางทีตัวเลขมันไล่ไปถึงร้อยดอลลาร์เคยมีคนให้ให้ราคาถึงสองร้อยนะสองร้อยดอลลาร์เพื่อเพื่อได้ได้แบงค์ยี่สิบเนี่ยอันนี้ก็แปลกดีนะว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้ นะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงประมูลเพื่อได้แบงค์ยี่สิบแต่ว่าต้องจ่ายกันเลยสองสองร้อยนนีแต่คนจ่ายเป็คนที่แพนะ้คนที่สองคนที่ประมูลให้ราคาสูงสุดในลนับสองจ่ายแล้วก็ อาจารย์วนนี้ก็ไปทำเล่นเกมหนึ่งยี่หลายครั้งกับนักศึกษากลุ่มอื่นก็ได้ผลคล้ายๆกันก็คือว่าส่วนเลขประมลวลมันจะสูงนะเกินยี่สิบทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็โน่นแปดสิบเก้าสิบก็มีบางครั้งที่สูงถึงสองร้อยอย่างที่ว่า อาจารย์ก็ไม่เคยไม่เคยเสียเงินเลยนะอาจารย์ได้กำไรทุกครั้งเลยเพราะประมูลให้ยี่สิบแต่ว่าได้มาเนี่ยแปดสิบเก้าสิบนักศึกษาเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนโง่นะเป็นนักศึกษาม า, าวิทยาไัฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจด้วยันก็มีคำถามว่าทำไม เ, เกิอดอะไรขึ้น ไมตัวเลขมันสูงขนาดนั้นสูงตัวเลขประมูลสูงเกินราคาที่เป็นจริงปกติเวลาเราประมูลเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจ่ายน้อยกว่าของที่ได้มาของร้อยบาทเราคิดว่าเนี่ยประมูลถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องแปดสิบน ะ, อ, ะอย่างมากสุดก็ใช้ไปแปดสิบได้มาร้อยมันก็ถือว่ากำไร ของราคาร้อยจ่ายสองร้อยนี่มันถือว่าขาดทุนแล้วแต่สมไมนักศึกษามห า, าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่ซึ่งเป็นหัวกะที่นี่ก็จ่ายสูงเกินกว่าราคากว่าราคาที่แท้จริงก็เพราะว่าเนี่ยกิจกรรมนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเนี่ยคนไม่ไม่อยากเสียเงิน คนที่อย่างที่บอดเนี่ยคนที่ให้ราคา 19. สิบเก้าสมมติแข่งกันสองคนคนในกอให้สิบเก้าในขอก็ก็ต้องให้ยี่สิบเพราะถ้าในกอยอมในขอยอมแพ้ในขอก็ต้องจ่ายสิบเก้าขอให้ยี่สิบกอก็ต้องให้ยี่สิบเอ็ดเพราะถ้ากอไม่ให้ยี่สิบเอ็ดกอแพ้กอก็ต้องจ่าย นะจ่ายยนะี่สิบความไม่ยอมแพ้เนี่ยก็ต้องก็ต้องประมูลสูงไปเรื่อยๆตัวเองให้ยี่สิบเพื่อนให้ยี่สิบถ้าตัวเองแพ้ตัองก็จ่ายยี่สิบตัวองก็ต้องเลี้ยงต้องให้ยี่สองพอให้ยี่สองอีกคนหนึ่งนะถ้ายอมแพ้ก็ต้องจ่ายยี่สบเอ็ด ก็ต้องให้ยี่สิบสามไอคนยี่บสองเนี่ยถ้าถ้าหยุดยอมแพ้นอกจากไม่ได้ยี่สิบดอลลาร์แล้วต้องจ่ายนะตามราคาที่ต่วประมูลก็คือยี่บสองก็ต้องเรียกยี่สบสี่คือทางที่รู้นะว่ามันแทบจะเกินเลยไปแล้วแทาจะเวอร์ไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไม่มีใครหยุดนะ ตัวเอ้องเป็นผู้ชนะให้ได้เพราะถ้าไม่ชนะก็ต้องจ่ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่ากลัวมันไม่ใช่เพราะอยากชนะเท่านั้นนะแต่มันเพระกลัวแพ้ด้วยกลัวเสียเงินนะกลัวเสียยี่สิบก็เลยก็ต้องให้ยี่สอง แล้เพราะกลัวยี่บสองกลัวเสียยี่บสองก็เลยต้องให้ราคายี่สิบสี่นะเพราะว่าเพื่อมันให้ราคายี่สามยิ่งยิ่งยิ่งกลัวสูญเสียนะก็ปรากฏว่าก็ยิ่งเหมือนกับขุดหลุมฝังตัวเองลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มันก็เป็นคำอธิบาย ว่าทำไมนะทำไมคนผู้ที่เล่นหุ้นเนี่ยทั้งเวลาหุ้นตกเนี่ยนะแทนที่จะปล่อยหุ้นไปนะก็ไม่ยอมปล่อยนะก็จะต้องเทเงินลงไปอีกนะเพื่อหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นบ้างคุณไม่ขึ้น เทไปเยอะแล้วก็ต้องเทไปอีกนะเพราะกลัวเสียเสียเงินให้ความกลัวสูญเสียเนี่ยมันทำให้บางทีคนเราเรียกว่านา ม, มึดก็ได้นะนา ม, มึดไม่อยากเสียก็เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เสียแต่ว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเนี่ยบางครั้งก็หมายถึงการเทเงินเขไปอีกนะ แล้วก็กลายเป็นว่าเสียหนักขึ้นกว่าเดิมอันนี้กิจกรรมที่นักอาจารย์ทำนี่มันก็เป็นเกมที่ชี้ให้นักศึกษาเห็นนะว่าทำไมคนเราทําหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นการซ้ำเติมตัวเองเพราะว่าไม่อยากสูญเสียแล้วก็ มันติดในเรื่องของหน้าตาด้วยมันไม่ใช่แค่เสียเงินเท่านั้นนะที่ไม่อยากไม่อยากเสียงทิ่กลัวเสียหน้าด้วยกลัวเป็นผู้แพ้ต้องการเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ราคาที่มันที่มันไม่ที่คนธรรมดาเขาไม่ให้ราคากันนะมีที่ไหนนะแบงค์ยี่สิบแต่ให้ราคาเป็นร้อย คนเราตัวที่บางคนธรรมชาติคนเรมันมันกลัวความสูญเสียมากนะกลัวความสูญเสียเหมือนกับว่าคนที่ทำทาธุรกิจคนะ้าขายอะไรสักอย่างแล้วก็มัน กิจการก็ไม่ค่อยดีทํำท่าจะล่มคนก็จะต้องมาทางไปกู้เงินมาแล้วก็มาเทมาทุ่มเทให้กับการปรับปรุงกิจการเพื่อให้มันเพื่อให้มันดีขึ้นหรือว่าเพื่อจะได้มีเงินนะสมมติขาดทุนไปล้านหนึ่งนะกลัวว่าจะขาดทุนล้านก็เลยไปกู้มาอีกสองล้านนะมาต่อมาต่ออายุ เอาเงินสองล้านกู้ไปก็ขาดทุนอีกนะหมดไปสามล้านแล้วต้องไปกู้มาอีกนะเพราะกลัวเสียสามล้านไปกู้มาเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นเพราะถ้าไม่ดีขึ้นก็เสียไปสามล้านไปกู้มาอกสี่ห้าล้านเท ล, ลงไปนะอันนี้ยิ่งทำก็ยิ่งยิ่งสูญเสียหนักขึ้นหนักขึ้น เราถ้กว่าถ้ายอมนะยอมเสียหรือยอมแพ้นะมันก็ไม่เสียหายมากแต่พวกสัชฆตยานหรือนิสัยซึ่งก็เป็นสมนึกส่วนใหญ่คือไม่ยอมสูญเสียแล้วก็ไม่ก็คือไม่ยอมแพ้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าขุดลุมฝังตัวเองลึกขึ้นเรื่อยรืลึกขึ้นเรื่อยๆื มีการการยอมรับนะความสูญเสียยอมรับความให้แพ้ท่ายแ พ, พ้เนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้ไม่สูญเสียหนักขึ้นหมอเนี่ยเวลารักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ก็รู้ว่าคนไข้นี่จะตายนแน่แล้วนะแต่ก็ไม่ยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับว่าคนไข้ต้องตายเพราะมะเร็งก็พยายามทำทุกอย่างพ่าเอ้ย สายแสงเลยฉีดเคมีเยซึ่งก็ทำให้คนไข้ทรมานมากบางทีคนไข้เองก็คิดบันด้กันนะว่ายอมรับไม่ได้ที่ตัองต้องตายเพราะมะเร็งก็ต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างสุดท้ายตัองก็ทรมานทรมานมากเจาะคอใส่ท่อพา สายแสงเคโมโเต็มที่เข้าไปื่อทีการยอมรับนะยอมรับความจริงมันมันมันดีกว่าเยอะแต่ว่าคนเราก็ไม่ค่ยยอมรับนะถ้าว่าความจริงนั้นหมายถึงความพ่ายแพ้หรือว่าหมายถึงความสูญเสียก็ต้องพยายาม ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สูญเสียไม่พ่แพ้แต่สิ่งที่ทําเนี่ยมันกับการกลายเป็นการทํำร้ายตัวเองหรือทําให้สถานการณ์มันหนักขึ้นหนักขึ้นหรือว่าคนที่เขาเป็นข้าราช ก, การที่เคยเล่าเป็นข้าราช ก, การอาจจะไปทําธุรกิจบางอย่างเนีย ไปกู้เงินมาทำธุรกิจนะธุรกิจมันเจ๊งบ้านเอยรถเอยที่เคยไปผ่อนมาก็ต้องมีหวังว่าจะถูกยึดก็ไม่ยอมนะไม่อยากถูกยึดถูกยึดเนี่ยเสียบ้านเสียรถกลับไปอยู่บ้านเช่าเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสี4แปดีเก้ามัน เสียหายมาก็ต้องพยายามไปขนขวายมาหาเงินมามาทุ่มเพื่อได้ไม่ไม่ต้องเพื่อได้ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเสียรถเสียบ้านดอกเบี้ยก็แพงกู้เงินมาเพื่อที่จะจ่ายเพื่อที่จะจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านจ่ายดอกเบี้ยที่แพงนี่ก็ ก็กลายเป็นภาระที่ทำให้ต้องเป็นหนี้หนักเข้านันก็สลามลุกลงไปเรื่อยๆสลัมลุกลงไปเรื่อยสุดท้ายก็พอไม่เห็นทางออกก็เลยฆ่าตัวตายถ่าตร ว, ต า, า ต, รวตายเพียงเพราะว่าไม่อยากเสียบ้านไม่อยากเสียรถแล้วก็รวถึงไม่อยากจะเสียหน้าด้วย มันก็แปลงนะคนเรานี่าทิ้งชีวิตได้แต่ว่าไม่ยอมทิ้งรถไม่ยอมทิ้งบ้านคือถ้าว่ายอมยอมเสียมันไปนะบ้านบ้านเ อ, อ่ยรถเ อ, อ่ยเสียไปก็หาใหม่เริ่มต้นใหม่ไปอยู่ห้องแถวไปอยู่บ้านเช่าแต่ว่าคน ส่วนใหญ่ก็ยอมรับสะพานมีไหมแก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะให้บ้านอยู่รถอยู่และวิธีที่คนก็นึกถึงก็คือไปกู้เงินมาไปกู้เงินมาผ่อนเสร็จแล้วก็อ า, าการก็เลวร้ายหนักขึ้นเี่เลยเอถอาเอาคนธรรมดาเนี่ยที่เขาอยู่ในอยู่เป็นผู้สังเกตการเขาคงก็คงรู้ว่าเฮ้ยนี่มัน มันมันชอาจะเลยเวิดไปแล้วนะไม่ควรทำแล้วแต่ว่าคนที่อยู่คนที่เจอคนที่เจอประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันคิดไม่ออกนะตอนนั้นมันเรียว่านามึนแล้วความกลัวสูญเสียความกลัวแพ้แพ้ความกลัวเสียหน้าความยึดติดในหน้าตาของตัวนะความยึดติดในภาพลักษณ์มันก็ทําให้ทาในสิ่งที่ คนที่มีสติเขาไม่ทํากันอย่างตัวอย่างในเกมประมูลเนี่ยมันก็นักษาก็เป็นนักษาคณะบริหารธุรกิจนะซึ่งก็คิดอยู่ในใจว่ามันต้องต้องพวกเราซื้อถูกขายแพงของยี่สิบก็ต้องการอย่างมากก็สิบห้าสิบหกสิบเจดหรือสิบแปดเรียงน้อยหรือไงแค่มันเท่าทุนก็ยังดี แต่สุดท้ายก็ทุกคนก็กหลายคนก็ยอมขาดทุนยอมจ่ายเกินอันนี้เราเพราะความลืมตัวก็ได้ความลืมตัวภาษาไทยมันมีสำว่าเสียน้อยเสียมากนะเสียยากเสียง่ายอันก็มาใช้กับเรื่องแบบนี้ได้นยะก็คือว่า ที่จริงตอนที่ประมูล16 17 18เนี่ยมันก็ควรจะเลิกได้แล้วเพราะว่าของมันแค่20เองแต่คนที่ให้ราคา17เนี่ยนะพอเพื่อนให้18เนี่ยตัวเองก็ต้องสู้แล้วพเพราะถยอมแพ้กะจ่าย17แต่สุดท้ายนะก็จ่ายเป็นร้อยนะ ที่จริงนนะถ้าถ้าจ่ายแค่สิบเจ็ดมันก็จบมันก็จ่ายแค่ดิดเดียวแต่เพราะไม่อยากเสียสิบเจ็ดไงมันก็เลยกลายเาเสียร้อยไปเลยคนเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะไม่อยากเสียสิบเจ็ดดอลลาร์แต่สุดท้ายก็จ่ายสองร้อยเพราะความกลัวที่จะเสียสิบเจ็ดเมื่ออย่างที่คนหลายคนกลัวไม่อยากเสีย ไม่อยากเสียรถเสียบ้านแต่สุดท้ายก็กลายมาเสียชีวิตไปเลยการทำอะไรที่มันเลยเถิดนะมันก็เกิดจากการที่กลัวความสูญเสียไม่ยอมรับความจริงในการยอมรับก่อนจะรับความจริงสาคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเรายอมรับได้เนี่ย มันก็ทําให้ไม่ดิ้นรนที่จะทำอะไรที่มันที่มันเลยเถิดยิ่งกว่าเดิมเงินหายเอายอมรับซะแต่พอยอมรับไม่ได้นเงินหายเนี่ยมันก็กุ้มหัวกุ้มใจพอกุ้มหัวกุ้มใจก็นอกจากจิตใจจะย่ยมแย่เลยนะสุขภาพก็ย่ยมแย่ตามมาด้วย กูบอกกุญแจกินไม่ได้นอนไม่หลับจนป่วยเสร็จแล้วก็เลยทํางานไม่ได้หรือถึงจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่หายใจไม่พร้อมมันก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันทำได้างานก็เสียเสร็จแล้วก็ลุกลาไปเป็นการเสียเงินอีกนะทะเลาะบบาแวงกับผู้คนก็เสียสมรรถภาพ เพราะยอมรับเงินเสียยอมรับที่เสียเงินไม่ได้ยอรับที่เงินหายไม่ได้มันก็เลยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสัมพันธภาพมันลุกลามไปเรื่อยๆเพราะเพียงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความสูญเสียแต่ว่าให้ผลเสียเนี่ยอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันใช้เวลานะเงินหายวันนี้ เป็นหายเมื่อวานวันนี้ก็เสียใจเสียใจบมากๆก็อีกสามสี่วันก็เสียสุขภา พ, พมเพ ร, ราะินไม่ได้นอนไม่หลับก็เสียสุขภาพก็วันต่อมาก็เสียงานอีกสามสี่วันก็เสียสมรรถภาพระยะเวลาก็เจ็ดแปดวันนะกว่าจะเห็นโ่าโอมันเสียเสียเป็นทอดทอด ท, อ ท, อทอนะมันเห็นไม่ชัดไม่เหมือนกับเกมเนี่ยเกมนี่มันใช้เวลาชั่วโมงก็เห็นแล้วโอ้ ว่าคนเรานี่เป็นพ่อไม่ยอมรับความสูญเสียก็เลยแทนที่จะเสียน้อยก็เลยเสียมากไปหรือแทนที่จะเสียมากก็เลยเสียมากยิ่งขึ้นใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันมันก็ทําให้เรียกว่าอะไรความรู้ตัว หรือว่าสัมปชัญญะรวมทั้งสติปัญญาเนี่มันมันบกพร่องไปเพราะว่าถ้าถ้าเราคลายคุด้วยด้วยสติด้วยปัญญามันก็รู้ว่าทำต่อไม่ได้นะเกินกว่านั้นนี่มันมันเลยไปละมันเลยถเถอดไปล้ะฟ้องหยุดได้แล้วแต่ไม่ยอมหยุดนะ อันนี้กำไรเด็กคนเล่นพ น, นันนะคนเล่นพ น, นันเนี่ยถึงแมท้ทีแรกจะได้นะเล่นร้อยได้พันหรือว่าได้หมื่นนะแต่ว่าเริ่มเสียแล้วตอนเล่นไปเล่นไปก็เสียนะ้ได้หมื่นเนาะเสียเสียไปเก็บตัดพันก็แทนที่จะเออแทนที่จะเลิกถึงแม้ก็ได้กําไรนะเพราะเราสตาร์ทมาแค่พันเนี่ยได้มาหมื่น เสียไปเจ็ดพันเพื่อจได้อีกสามพันมันไม่ยอมนะมันก็จะสู้นะเอาสามพันเนี่ยเทยเข้าไปเพื่อจะได้เจ็ดพันที่เสียไปคืนมาบอกว่าหมดไปก็เลยเสียมื่นเสียมื่นก็เสียไดย้ก็ทุ่มไปอีกนะทีแรกก็สองสามพันก็หมดไปอีกนะก็ทุ่มไปอีกนะยิ่งเสียก็ยิ่งทุ่มนะ ใ้ธรรมดานคนเรายิ่งเสียก็ยิ่งทุ่มเพราะมันไม่อยากเสียอยากจะเอาคืนก็เลยกลวยาไปามาเสียเป็นแสนเสียเป็นล้านมนุษย์เรานี่มันตกอยู่ใน อ, อยู่ในหลุมแบบนี้เนี่ยเป็นประจำ แต่องแต่ว่ามันอาจจะแสดงออกต่างๆกันอย่างเช่นคนไข้ก็ก็ให้หมอทําเต็มที่นะไม่อยากตายทั้งที่ทรมานจนกระทั่งอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้แล้วหลายคนก็เสีโหรู้งี้นี่รู้งี้ไม่ต้องรักษาดีกว่าให้ตายไปดีกว่า แต่ถึงตอนนี้มันกลายเป็นกลายเป็นคนไข้ที่ทรมานเนะท่อเต็มตัววนะิงวอนส่งสัยตาบอกให้ลูกหลานถอดท่อหรือว่าปิดเครื่องเพราะทรมานมากเหลือเกินแต่ก็ทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีไม่มีกล้าทำบากกลัวว่าทำแล้วจะเป็นบาสนะหลายคนก็มาจุดนี้นะ ถามว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันก็เพราะว่ามันไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าจะต้องตายก็เลยต้องสู้แต่ยิ่งสู้มันก็ยิ่งหนักอันนี้ก็เป็นก็เป็นก็ก็เป็นลักษณะนหนึ่งนะของของคนนะที่ไม่ยอมรับความจริง กสร้างฐนกอย่งที่ว่านะของหายเงินหายก็ไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงก็สู้แต่สู้ไม่ได้ก็ต้องเสียใจเสียใจก็เสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนบางคนก็เสียเงินทำธุรกิจเจ๊งนะก็ไม่ยอมเสียทุ่มหนีก็้าไปจนหมดเนื้อหมดตัวหนักกว่าเดิมสุดท้ายก็ ค่าตัวตาย้การที่กลัวความสูญเสียนี่มันเป็นเรื่องที่มันมีในทุกคนมันเป็นสัญชาตญาณก็ว่าได้ถ้าเรารู้เท่าทันไอสัญชาตญาณตัวนี้นะซึ่งที่จริงมันก็เป็นอุปทานแบบหนึ่งนั่นแหละมันก็เป็นเกิดจากกิเลส เกิดจากความหลงที่ชื่ออุปทานทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเช่นกลัวเสียหน้านี่ก็เป็นอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นในในในในหน้าตาในภาพลักความยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นผู้ชนะหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นในในเงินทองเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ไม่อยากเสียเมื่อเสีย ก็ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อจะไม่ให้เสียก็กลายเป็นว่าเสียหนักขึ้นไม่อยากเสียไม่อยากเสียน้อยกลายมาเสียหนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นอุปท า, านความคิดมาว่าของกูของกูนะมันก็ทำให้กลัวการสูญเสีย นี่ถ้เว่าเรารู้ทันอุปาทานนะเรารู้ทันอุปาทานเรารู้ทันปัญหาที่มันทําให้เกิดความยึดติดถือมั่นซึ่งทําให้ไม่ชอบการสูญเสียหรือกลัวการสูญเสียเนี่ถ้าเรารู้ทันมันปล่อยให้มันไม่ไม่ยอมให้มันเข้ามาครองใจมากเออจะเสียก็เสียไปนะยิ่งจ้าเรามีสติมีปัญญานี่พิจารณาว่าถือทํามากกว่านี้ก็จะเสียหนับกว่าเดิม ยอมเสียเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าเสียมากกว่านี้หรือที่เสียแล้วก็เสียไปนะไม่ปล่อยให้อยา่างเสียมากกว่านี้สต <c oughs> ิปัญญา ม, มันมันจะมันเป็นตัวบอกเรานะว่าทํามากกว่านี้นี่มันจะมันจะเสียหนักกว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดพอปัญญามไม่เกิดมันก็ความโง่ก็มาแทนที่ แล้วคนฉลาดนี่มันทำสิ่งงงๆได้ก็เพราะเหตุ น, นี้แหละเพราะว่าความกลัวความสูญเสียเพราะวาความลืมตัวเพราะว่าปล่อยอุบัติกาน์ครอบงำไม่รู้เรื่องอุบัติกาน์นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนลืมตัวได้เนี่ยนอกจากความโกรธนอกจากเล่าเล่ายาย เศ็ติแล้วเนี่ยสิ่งเศษติดแล้วเนี่ ย, วยความกลัวเนี่ยเหมือนกันความกลัวก็ทำให้คนเราเนี่ยลืมตัวได้ความกลัวก็มีหลายประเภทนะแต่ว่าประเภทนี้สำคัญนะครก็คือความกลัวกลัวสูญเสียซึ่งมันทำให้ไม่อยอมรับความจริงคนที่ไม่กินเล้าไม่สูบบุรี่นะแต่ว่า มันก็หลงมันก็ลืมตัวได้หลายด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วความโกโรธด้วความกลัวนั่นทำเรารู้ทันนะรู้ทันใน้ไออารมณ์ต่างๆที่ทําให้ลืมตัวเราไม่ปล่ยอยให้มันครอบงําใจจนหมดเนื้อหมดตัวนะอันนี้ก็มันก็ทําให้เราไม่เผลอทําในสิ่งที่มันแย่ได้